ต้องการอะไรที่มันซื่อๆตร ง, ตรงชๆชัดๆเฉพาะหน้าไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นสภาวะที่ตรงไปตรงมาไม่หลอกทีนี้ในการปฏิบัติในกรณีที่มีเวทนาทางกายหรือสัญญาทางกายเนี่ยมันไม่มีความหลากหลายทางความคิดและอารมณ์เนี่ยจิตมันก็จะไม่เล่นด้วย จิตมันจะรับรู้เดียวเดียวแล้วมันก็จะไปหาเรื่องที่มันเคยไปไปคิดไปสังขารมันจะเป็นเรื่องของจิตแต่สังขารคำว่ากายะสังขาร น, นี่ก็คือตัวเวทนานั่นเองนะจิตแต่สังขารกายะสังขารเป็นสัพท์แต่ตัวเวทนานเนี่ยเป็นความรู้สึกอะไรก็ตามที่เป็นความรู้สึกปรุงไปเย็นร้อนอ่อนไขแข็งตึงเนี่ยเรียกว่าเวทนาทางกาย ทีนีในตัวเวทนาตัวนี้มันก็จะเป็นตัวเขาเรียกเป็นตุ๊กตาเหมือนเราจะตัดผมช่างตัดผมเขาจะฝึกตัดผมเขาก็จะผ่านตุ๊กตาก่อนถ้าจู่ๆไปตัดผมจริงเลยเขาให้ตัดไหมไม่ให้ตัดนะต้องผ่านตุ๊กตาเหมือนกันการที่เราจะเรียนรู้ตัวสัญญาของใจเนี่ยเราก็ต้องมาให้เรียนรู้ผ่านตัวตุ๊กตาคือสัญญาทางกายซะก่อน นะเพราะว่าตัวอ่านชัญญาทางกายก็คือใจเนี่เป็นผู้อ่านถ้าใจไม่มาอ่านว่าเออความรู้สึกอย่างนี้ร้อนนะความรู้สึกนี้เย็นนะควารู้สึกที่เจ็บควารู้สึกที่ปวดนี่ใจมันเป็นผู้อ่านนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอ่านผ่านกายเหมือนกันกั น, กนไกที่ช่างใช้ตัดผมจริงกับช่างใช้ตัดผมในหัวตุกกตานี่เป็นกันไก ลักษณะเดียวกันยี่ห้อเดียวนะไม่ได้ต่างนะแต่ว่าสถานที่ตัดเนี่ยต่างกันอันหนึ่งมันเป็นเพียงตุ๊กตาอันหนึ่งเป็นของจริงเหมือนกับจิตที่จะมารับรู้ทั้งกายกับทั้งความเวทนาความรู้สึกทางจิตกับยเรื่องทางกายก็เป็นจิตเดียวกันแต่มาอยู่คน ล, ละสถานะเหมือนกันไก่ที่ช่างตัดให้คนฝึกใหม่ก็ไปตัดกับตุ๊กตา แต่คนที่ชำนาญแล้วก็มาตัดกับผมจริงกันไกลกันเดียวกันนะการรับรู้เวทนาก็เหมือนกันเราก็จิตเดียวนั่นแหละมันก็จะรู้ได้สองสถานะคือรู้เวทนาทางกายและเวทนาทางจิตเอาให้เป็นเป็นหลักเวทนาทางกายเป็นหลักไว้เพราะว่ามันสัมผัสได้ตลอดเวลาสัมผัสได้ตรงตรงและตลอดเวลาแต่เวทนาทางจิตนี่มีตลอดไหม ยมลิมชัยวิาทางใจเนี่ยมีตลอดไหมเอาไงดียมโฉววิญาณทางใจมีตลอดไหมไม่ตลอดเลยถ้าวิญาทางกายกายนี่ก็เปลี่ยน ไม่หมายถึงถามว่ามันมีตลอดไหมไม่ได้ถามว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนกายไม่ก็ไม่ตลอดในช่วงนี้หนักหรือเบาที่นั่งเนี่ยตอนนี้เวทนาทางกายหนักหรือเบาที่นั่งอยู่เนี่ยเบ า, บาก็เป็นเวทนาใช่ไหมถ้าดังเบาแล้วต่อจากเบาจะเป็นอะไรอีกอันนี้ไม่ได้ถามหาแง่หา ง, าหา ง, งอนอะไรแล้วนะถามจริง บอกว่าตอนนี้บอกว่าเบาใช่ไหมถ้าต่อไปถ้าจากเบานี่ยมันจะกลายเป็นอะไรเขามันเส้นอย่าไปคิดเรื่องนี้ไม่ให้คิดนั่นถามว่าต่อจะเบาจะอะวรไ ก, ก็เป็นหนักใช่ไหมหมดอย่างหนักมันจะกลายเป็นอะไรมันเบานะแล้วมันเคยหายเบาๆหนักๆมันเคยห่างจากกายแล้วบ้างไหมนี่เราจะบอกว่าเป็นบางคราวได้ไงตลอดเวลา แต่ว่าเราจะรับรู้หรือไม่รับรู้เท่านั้นเองใช่ไหมแต่ถ้ารับรู้ว่าหนักเราชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบใช่ไหมรับรู้ว่าเบาเราชอบหรือไม่ชอบชอบใช่ไหม น, นั่นเป็นเวทนาตัวที่สองแล้วคือทางใจใช่ไชอบหรือไม่ชอบน <érer shot S 2> ีบ่เป็นเวทนาจิตฉะนั้นถ้าเราไปบางครั้งเราก็รับรู้มันบางครั้งเราก็ไม่รับรู้มันใช่ไหมถ้าในช่วงที่เราไม่รับรู้เนี่ยมันก็ไม่มบอกว่าชอบหรือไม่ชอบแสดงว่าทางใจเนี่ยมันเป็น เฉพาะเวลาเราไปรู้มันเท่านั้นเองในช่วงที่เราไม่รู้แต่กายนี่เราจะรู้ไม่รู้มีตลอดใช่ไหมนั่นนะถึงบอกว่าเอาเป็นเป็นหลักไว้ก่อนเพราะมันปรากฏตลอดแต่ทางจิตเนี่ยแล้วแต่ว่าเราไปรับรู้ตอนไหนอ่าบางทีเราไปเพลินนั่งเล่นไพ่สามวันสองคืนไม่รับรู้ว่าร่างกายนี่หนักก็มีใช่ไหมไม่รู้สึกว่าหนักเลยเบาตลอดเลยแต่ร่างกายมันหนักจะตายอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเห็นว่าหลวอเทียนก็นเลบอกว่าให้ดูกายและความรู้สึกของกายก็ได้แก่เวทนาให้ดูจิตความรู้สึกของจิตก็ได้แก่ตัวเวทนาทางใจคือชอบหรือไม่ชอบเป็นฐานของอารมณ์แต่ตัวชอบหรือไม่ชอบก็มาจากตัวเบาตัวหนักนั่นเองใช่ไหมหนักคือเราไม่ชอบเบาคือเราชอบนะแต่ที่มันมีอีกตัวหนึ่ง ที่ได้สาธิตดูเมื่อวานน่ยมันเป็นภาวะที่ไม่หนักไม่เบาเนี่ยเขาเรียกอะไรพอรู้ว่าหนักเนี่ยไม่ชอบเบาเนี่ยชอบแล้วอีกตัวหนึ่งที่มันไม่หนักไม่เบามันเป็นอะไรเราจะบอกว่าเฉยๆเนี่ยได้ไหมประมาณนั้นแล้วบอกเฉยๆพลาภาษายากตรงนี้เออถ้าว่าหนักว่าเบาชอบไม่ชอบมันชัดใช่ไหมแต่อีกตัวหนึ่งที่ระหว่างกลางระหว่างหนักอย่างเุ่นว่ามานั่งเนี้ยมาบอกว่าหนักแต่ในขณะที่มันกำลังลุกขึ้นเนี่ย ความต่อเนื่องกับระวังหนักกับเบาจะเชื่อมกันนี่ยตรงนี้เราไม่อาจเรียกได้ว่าหนักหรือเบาเขาเรียกว่าอะไรเสื่อเฉยๆแต่ในบาลีเขาใช้คำว่าอทุกขามาสุขคือจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่เชิงแล้วมันหยัดว่าไงภาษาไม่สุขไม่ทุกข์จะได้ไหมไม่หนักไม่เบาภาวะอันนี้เป็นภาวะที่รู้ยากท่านจึงเรียกว่าเป็นโมหะ ถ้าภาวะที่ชอบเป็นราคะใช่ไหมภาวะที่ไม่ชอบเป็นโทสะภาวะที่ไม่แน่ใจว่าเป็นชอบหรือไม่ชอบเขาจึงเรียกว่าโมหะเพราะไม่แน่นอนว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะถ้าเรารู้ทันว่าความเบาเนี่ยเออความเบาเป็นอย่างนี้นะมันเบาไม่รู้กี่พวกกี่ชาติแล้วไม่จ้องไปรักไปชังอะไรกัมันหรอกเรารู้ทันใช่อย่างนี้เ่ยไม่เกิดความชอบความชอบไม่เกิดใช่ไหมมันกลายเป็นอะไร แกเป็นศีลนะปกติเมื่อความหนักเกิดขึ้นเรารู้ทันว่าเออหนักนีไ่ไม่ได้ทําให้เราไม่ได้ก่อให้เกิดความไม่ชอบหรือความหนักใจแต่เรารู้ทันว่าเออความหนักเนี่ยมันก็เป็นมารุมกี่ม๊บกี่หมื่นกี่แสนชาติแล้วมันก็หนักอย่างเงี้ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นเพราะฉนั้นเราจะไปหนักกันทําไมเนี่ยพอรู้ทันอย่างเนี้ยไอความรู้สึกที่คิดอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าสมาธิทําไมจึงเอาุทุกขเวทนาเป็นสมาธิ เพราะมันตั้งมั่นในตัวเราต่อเวลามันไม่เคยเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักใช่ไหมมันถ้าใครมาจับอยู่กับความรู้สึกนี้ชัดๆเรียกว่าสมาธิเขาเกิดมันจึงกลายเป็นพลังตัวทุกข์จึงกลายเป็นพลังเมื่อเราไปเพ่งมันตั้งมั่นอยู่กับมันมันกลายเป็นพลังเพราะฉะนั้นพวกฤๅษีเขาก็เลืไปทางแปลงทุกข์ไปเป็นพลังงานของฤเดีปฏิหารบําเพ็ญตะบะใช่ไหม นั่งทั้งวันโดยที่ไม่เปลีป่ยนแปลงเลยเพื่อจะไปเล่นกันมาอย่างงั้นแหลอะอยืนทั้งวันขาเดียวเลยไม่เคยอยาพื่อเยื่อเปีเป่ยนแปลงที่สํานักกระโจมทองอ่ะใช่ไหมสมาธิเคลื่อนไหวแบบบางท่านหลายคนก็เคยฝึก่ามีไหมสมาธิแบบเนี้ยยกแบบเรานี่แหละแต่ว่าเพื่อเยอืเยอกพื่อยื่อมีเงี้ยห้านิ้วเพื่อสร้างผัสสะขึ้นมาสร้างการรับรู้ขึ้นมา ดังนั้นในวิธีการนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดเขาเรียกมโนวิญญาณเพ่งมาจุนี้เสร็จแล้วไอ้กระแสะของมโนวิญญาณมันจะเล่นไปทั่วตัวเลยมันจะเล่นกับกระแสของมโนวิญญาณจะเลื่อนกระแสจิตไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็ออกไปเป็นพลังแบบนั้นอีกแต่เขาก็เรียกเขาเป็นวิปัสนาณานะอยู่ที่ป่าสกดูตอนนี้นมาอยู่ป่าสะกตูถามว่าก็ฝึกแบบไหนเมื่อก่อนฝึกแบบอาจารย์แฟนก็าฝึกแบบไหนเขาเล่นอะไรเขาก็อธิบายให้ฟังว่ามีการเล่น มนวิญญาณนะ ค, คือคือมันคือตาที่สามมาเพ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถจะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ร่างกายนี่คือวิธีการที่จะแปลงตัวทุกเวทนาให้เป็นเพราะฉะนั้นการยืนอย่างเงี้ยเกิดเขาก็สนุกในทุกอันนั้นเพราะเขาถือว่ามันเป็นทําให้เกิดพลังยืนเขาก็แข่งกันว่าใครได้ยืนได้นานกว่ากันคนได้เก้าชั่วโมงคนได้เจดชั่วโมงที่อาจารย์ทองรถเก่กงที่สุดได้ยีบสชั่วโมงเลยวันโอ้โห ถ้าคนมันจะทําอะไรสักอย่างมันทําได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าใจเขาถึงอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราหลงเอาเวทนาเป็นตัวตนเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาเพราะเวทนาตรงนี้ทุกเวทนากลายเป็นอะไรรู้ไหมทุกเวทนาเนี่ยเมื่อเราไปสําคัญมันเป็นตัวรนมันกลายมาเป็นมานะแต่ก่อนที่จะเป็นมานะมันทุกเวทนาทางกายก็มาเป็นทุกเวทนาทางจิตก็เรโทรมนัสใช่ไหม โทมนัสมันก็เปลี่ยนมาเป็นปฏิฆะปฏิฆะก็กลายมาเปลยนเป็นอพยาปาทะอพยาปาทะก็เปลี่ยนมาเป็นโทสักโทสักมาเปลี่ยนเป็นโกทะโกทะมาเปลี่นเป็นเป็นมานะนี่เพราะฉะนั้นมานะก็มีถึงเก้าตระกูลกับเวทนาที่เราสวดมาพิเกี่มันเก้าเวทนาทั้งเก้าใช่อหมมันก็มาจากเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันแค่แปลงเป็นพลังของตัวทุกข์ ขั้นละเอียดละเอียดลงไปเรื่อยๆอย่างนั้ น, น, นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงไม่มองข้ามเวทนาทางกายทั้งสามอย่างทั้งเบาทั้งหนักและทั้งไม่เบาไม่หนักถ้าดูเห็นเบาปรับให้เบาอยู่ได้โดยที่ไม่เพลินในเบาไม่เสียบติดในเบาไม่เสียบติดในสบายตรงนั้นเป็นศีลถ้าเราไปดูทุกเวทนาโดยที่ไม่ แปลงทุกเวทนาให้เป็นพลังงานต่างๆและไม่มีปฏิฆะในทุกเวทนาและไม่หลงสําคัญทุกเวทนาว่าเป็นตัวตนสมาธิเกิดนะแต่ในเมื่อการเปลี่ยนผ่านการไถ่พลังทั้งสุขทั้งทุกช่วงที่ลุบขึ้นเนการเปลี่ยนผ่านตรงนั้นมันยังไม่ชัดว่าเป็นสุขเป็นทุกขตรงนั้นเราไปรู้ทันโดยที่ไม่เข้าไปสําคัญมั่นหมายความ ว่างเว้นจากสุขทุกขณะนั้นให้ชัดชัดตรงนั้นเป็นปัญญาซึ่งรู้ได้ยากหน่อยเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็จึงมาจากตัวสุขทุกอทุกขโมสุขนั่นเองนะก็เปลี่ยนไตรลักษณ์เพราะว่าสุขความสบายนี่เกิดจากอะไรเกิดจากการเปลี่ยนใช่ไหมสมมติเราหนักเนี่ยพอเราเปลี่ยนป๊อสบายทันทีเลยใช่ไหมเป็นสุขเวทนาก็มาจากอะไรอันนี้จัง นี่จำเป่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมถ้าเรานั่งนานๆไม่ยอมเปลี่ยนน่ยเป็นอะไรเป็นทุกขังใช่ไหมทุกขังตรงตัวเลยเป็นทุกขังกายก็มาเปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็มาเป็นทุกขังถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ทุกเพราะฉะนั้น อั น, นิจจังถ้าเรารู้ทันเป็นศีลนะทุกขังเรารู้ทันเป็นสมาธิอานตตาเรารู้ทันเป็นปัญญาถ้ารู้ไม่ทันอ น, นิจจังเป็นราคะเป็นสุขเวทนาอันเดียวกันรู้ไม่ทันทุกขงังก็เป็นทุกเวทนาเป็นโทสักปฏิฆะ รู้ไม่ทันอนทุกขมสกุวนาก็เป็นอนัตตาหือเป็นโมหะในเวลาต่อมาเนี่ยมันจะโยงกันอย่างนี้ดังนั้นเองในขณะที่เราทำเนี่ยเราจึงไม่มองข้ามความรู้สึกทางกายเป็นหลักเพราะถ้าเราไปทันตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการดับต้นเหตุของสายใยปฏิเจสุบัททั้งหมดเลยเรียกว่าเปลี่ยนหัวขบวนเลยจากอาวิชชาเป็นวิชา สายใทั้งหมดขาดกระจุยหมดเลยนะสิบสองสายนี่นะแต่ถ้าหากไม่ทันตัวรู้อไม่ทันตัวอวิชามันก็ไม่ทันตัววิชาคือไม่ไม่ทันไม่รู้เท่าทันมันก็เป็นอวิชาลูกขบุญก็จะตามมาเป็นแถวเลยเป็นสุกโซ่เลย ส, สิบสองขบวนการยังจําได้อยู่ไหมปฏิสบายนิสสังขบวนอะ่ะแต่ให้ท่องจําไม่ได้ <laughs> จําได้เป็นวังตัว เพราะจะเห็นว่าทฤษฎีวิธีการของวัฒเทียนจึงมาตัดต้นเหตุเลยคือมาสร้างตัวรู้เท่านั้นนะมาสร้างตัววิชาเท่านั้นตัวรู้นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวรู้ในี้วงตรงชื่อตรงเรียกว่ายานจากขงอุทัปฐิ่านังอุทัพปฐีปัญญาอุทัปฐิวิชาวัฒปฐีอโลโกในธรรมจักรนะเพรา ะ, ะนั้นมาสร้างที่เรามาสร้างนี้มาก่อ กำลังคอเกิดตัวยานให้กําลังตัวนี้ไม่มีกําลังนะแต่การรับรู้ตามตาหูจหมูกเล่นกาใจเนี่ยรับรู้ไปทั้งหมด6ทางเนี่ยมันทําให้ยานตัวนี้ไม่มีกําลังเพราะมันจึงได้ชื่อว่าวิญญาณใช่ไหมการรับรู้ทางตาเรียกว่าอะไรโสตจักขูใช่ไหมจักขูวิญญาณการรับรู้ทางหูเรียกว่า สวตวิญญาณการรู้ทางจมูกเรียกว่าคานวิญญาณการรู้ทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณการรู้ทางกายเรียกว่ากายยวิญญาณการรู้ทางจิตเรียกว่ามโนวิญญาณมันกลายเป็นวิญญาณหมดแต่พอมารับรู้ทางใดทางหนึ่งที่เราเจตนาสร้างขึ้น <c oughs> วิญญาณทั้ง6รวมมาเป็นเหลือเดียวกันเรียกว่าญาณเรามาเรียกภาษาง่ายๆว่ า, ารู้สึกตัวตัวนี้เนะี่ยรู้สึกตัว เพราะนั้นเราจะเรียกว่ายานคือมันลําดับเป็นชื่อที่พัฒนาไปจากสตินั่นแหละแต่จะเรียกว่ายานโดยตรงยังไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างสมว่าหนอกกล้วยเนี่ยเราไม่เรียกว่าต้นกล้วยใช่ไหมแต่มันก็จะเป็นต้นกล้วยนั่นแหละแต่ไม่เรียกว่าต้นกล้วยเรียกว่าหนอกกล้วยต้นข้าวแต่พอไปเพาะที่มันแตกใหม่ๆก็ไม่เรียกว่าต้นข้าวใช่ไหมเราเรียกอะไรข้าวงอก เอข้าวงอกเอข้ากล้องงอกี้นะเขาม่เรียกว่าต้นข้าวแต่มันนั่นแหละมันจะพัฒนาเป็นอะไรเป็นต้นข้าวเป็นรวงข้าวต่อไปสมมุติวิาญาณคือต้นข้าวเนี่ยแต่สติก็คืออะไรข้าวงอกนั่นเองอ่าเราก็มาสร้างตัวตัวนั้นแล้วตัวนี้สร้างไปเรื่อยๆเราจะพัฒนาจากข้าวงอกเป็นข้าวกล้าใช่ไหมจากข้าวกล้าก็จะเป็นข้าวต้นจากข้าวต้นจะเป็นข้าวลูกออกเป็นมารนเป็นรวงไปลายต่อเรื่อยๆเนี่ย ไอาการที่มันแก่เป็นรวงแล้วนี่นแหละเท่ากับว่ายานมันก็พัฒนาไปจากตัวนี้ใจส่วนที่เราสร้างซ้ำๆๆสร้างเนี่ยมันจะกลายไปเป็นยานตัวไหนมันเป็นวันไหนวันที่เราไปเห็นความคิดกับความรู้สึกแยกจากันนะเหมือนกับข้าวที่มันถอดลวงออกจากต้นข้าวอ่ะเราเห็นว่าเป็นรวงข้าววันนั้นแหละ อันนี้ก็เหมือนกันพอเราสร้างจังหวะไปสร้างจังหวะไปตอนแรกเนี่ยมันคิดความรู้ความคิดไปด้วยกันเป็นเครือเดียวกันเลยคิดก็คือเราเราก็คือคิดพอทําไปทําไปไอ้คิดไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่คิดพราะเราเราเป็นผู้รู้อยู่คอเห็นความคิดมันกําลังคิดอยู่แต่เราไม่ได้ไปกับมันแต่ก่อนหน้าเราไปกับมันหมดเลยใช่ไหมเราคิดเรื่องอะไรมาก็ไปกับมันหมดแต่เราไม่เคยที่จะไปเห็นมันคนละส่วนแต่พอทําไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันนึวันหนึ่งมันเกิดจึงขึ้นมา เห็นความคิดออกไปเห็นความคิดเข้ามาแต่ใจเราไม่ได้ไปด้วยนี่ตรว น, นั้ น, นเป็นวันที่ข้าวถอดลวงลวะเพราะฉะนั้นมีะบวนการขั้นตอนชัดเจนนะในวิธีการที่บุญญาธานตรัสรู้มาเนี่ยถึงว่ามันเป็นระบวนการที่ที่ไม่ไม่มั่วไม่ลักษณะดาวดนดาวเหมือนกันของพวกพรามนะ เพราะฉะนั้นจุดนี้หลวเทียนท่านถึงฟันทงได้ชัดเจนมากว่าใครมาทําอย่างนี้อย่างช้าไม่เกินสามปีใช่ไหมอย่างเร็วที่สุดไม่เกินหนึ่งวันเลยเก้าสิบวันนะฟันทงชัดกวชีวิตชาว่าไว้อีกชาวว่าอย่างชา้าที่สุดเจ็ดปีนะเพราะอะไรเพราะว่ากําลังของการเคลื่อนไหวที่เกิดจากเคลื่อนไหวทั้งตัวเนี่ยมันมีกําลังมากกว่าลมหายใจใช่ไหม เดี๋ยวพุทธิจาท่านประกันว้เจ็ปีหมายความว่าถ้าดําเนินทำลมหายใจนะเจ็ดปีแต่พ้องเรียนหลวงพ่เรียนเพบว่าอาการเคลื่อนไหวแต่ที้ถ้าเราบวกทั้งลมหายใจแล้เคลื่อนไหวจะเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่สามปีนะเหลือปีเดียวแน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นทีษฎีินี่มันประกันได้นะก็อยากจะให้พวกเราทําแบบศึกษานะไอรู้ไม่รู้ก็เป็นอีกเรื่องนะึงให้ศึกษาไปแต่เมื่อวันไหนถ้าเราศึกษาเข้าใจมันนะมันพรวดเดียวนะรู้หมดเลยนะ แต่ถ้าเราไม่ศึกษาเสียก่อนนะโอ้โหมันรู้แล้วก็ลืมรู้แล้วก็ลืมซ้ําไปซ้ํามาอย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันไม่มันเก็บรายละเอียดไม่หมดเพราะเราจะไปเอามันแต่ถ้าเราเพื่อการศึกษาเนะี่ยเรารู้แล้วก็ปล่อยใช่ไหมรู้แล้วก็ปล่อยแล้วรู้แล้วไม่เก็บอ่ะรู้ก็ปล่อยมันก็รู้ได้เยอะกว่าสิใช่ไห ม, ม, กกไหมแต่ถ้ารู้แล้วเก็บเก็บเก็บเข้ามาไปไงมันก็หนักใช่ไหมไม่อยากรู้ต่อไปแล้วมันอิ่มละอ่าแต่รู้แล้วก็ปล่อยมันก็มีเรื่องที่จะต้องรู้ใหม่เรื่อย เอออันนี้ความคิดนี่มารู้ละปล่อยความคิดราคามาเอารู้ละปล่อยไปโทรศัพท์ ม, มาเอารู้ละปล่อยไปโมหา ล, ลุปล่อยไปดีใจเสียใจรูล้ละปล่อยไปแต่ถามว่าปล่อยง่ายไหมยอมยมสมนึกไม่ง่ายเลยเนาะติดอารมณ์แค่ลูกชายคนเดียวนะูพูดสามวันสองคืนไม่ยอมบอกเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยที่ <c oughs> มันยากตรงนั้นนะ่ะแต่ถ้าเราแยกความคิดกับความรู้สึกออกจากกันแล้วมันง่ายมันปล่อยง่าย เหมือนกับเราตํ า, ตาข้าวสมัยโบราณ่ะหดตําแล้วมาล่อนใช่ไหมไอ้ตัวไหนที่มันออกจากเปลือกแล้วเป็นข้าวสารใช่ไหมมันก็จะรวมที่หนึ่งเวลาร่อนแล้วอันไหนที่มันยังเป็นากากอยู่มันก็จะไปรวมกันอีกที่หนึ่งใช่ไหมก็ห ย, ยิบออกเท่านั้นเองนะเหมือนกันตัวรู้เนี่ยที่ถอดเปลือกวิชาออกแล้วมันเหลือแต่ตัววิชาเป็นข้าวสารแล้วเวลาเอามาล่อนอย่างเงี้ยมันก็จะรวมเป็นตัวรู้ เห็นชัดใช่ไหมว่าตัวรู้ตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนคือเมื่อก่อนนี่ก็รู้แล้วมันเป็นเราอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้มันไม่ใช่เรารู้มันคือรู้แต่ผู้หนักนี่ไม่ไม่ใช่รู้ผู้หนักผู้เบาเนี่เป็นรูปใช่ไหมลราแล้วก็ผู้คิดผู้นึกก็ไม่ใช่ตัวรู้มันคืออะไรนา ม, มารูปอ่าเมื่อก่อนไม่ว่ารูปหรือนา ม, มารูปความคิดมันเป็นอันเดียวพันกันหมดเหมือนข้าวอยู่ในเม็ดอ่ะทั้งกากทั้ง เม็ดทั้งแก่ทั้งลำอยู่ในเม็ดเดียวกันหมดแต่เดี๋ยวนี้พอไปตำไปร่อนไปเสียมาแล้วนี่มันมันก็แยกไปกากไปพอกากแบบแก่ไปพอแก่ไปลไปพอลำสารข้อสารไปพอข้อสารอันนี้คือข้อดีของการที่เรามาตอกย้ําในการสร้างจังหวะอย่างเงี้ยมันทําให้เราเห็นอะไรชัดเจนนะเองเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องฝึกใช้น่ะ ไม่ใช่ว่าเออปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันก็รู้ของมันเองอันเนี่ยไม่ได้ต้องฝึกใช้ด้วยสมมติเรานั่งสร้างจังหวะเดินชู ก, กมแล้วเนี่ยเวลาเราจะเดินไปไหนต้องฝึกเดินเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีสติแต่ถ้าเราไม่ฝึกเดินเนี่ยอะไรจะเข้ามาแทนดูไหมอะไรเข้ามาแทนความเคยชินเพราะเราเดินมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วใช่ไหมเพไปทางนั้นก่อนนะ พราะฉะทุกครั้งที่เราจะเดินก็ต้องตั้งสติแล้วมันก็จะเดินนั่นคือเหมือนกันฝึกใช้สตินั่นเองอะไรก็ตามที่ฝึกบ่อยๆสิ่งนั้นเป็นไง<ช>เกิดทักษะความชนินช้ำนานความชนินช้ำนาญในการใช้นามธรรมเราเรียกว่าญาณปัญญาความชมนินช้ำนาญในแง่ของรูปธรรมเราเรียกว่าอะไรช่างใช่ไหมอ่า ชำนิชำนาญเรียกว่าเอ็กเซอร์เียบ้างเรียกว่าสกิลบ้างเรียกว่าชำนิชำนาญบ้างแต่มันเรียกาภาษาเราว่าช่างมันเป็นอะไรก็ตามที่มันชำนานเรื่องไหนก็เรื่องช่างนั้นนองใช่ไหมช่างเหล็กช่างปูนช่างเกลียวช่างทองหมอเขาเรียกวช่างอะไรหมอนี่เขาเรียกว่าช่างมัน <laughs> เออปล่อยมันทําไปมันไม่ผีดกฎหมายมันจะพา่าเรามันจะแทงเราไงก็ช่างมันนะหมอ แต่คนอื่นไปทำไม่ได้นะที่ไม่ใช่หมอใช่ไหมพอเราเชี่ยวฝีมือว่าช่างมันนะมาทําไป <c oughs> ไม่ใช่ช่างหมอนะแต่ถ้าหากว่าเป็นพระเราก็เรียกอริยะนยีผู้ชํานาญในเรื่องนั้นๆในเรื่องของจิตนะชำนาญเรื่องเร่จิตอันนั้นจึงบอกว่าให้ศึกษาพระพุทธเจ้าทขาบอกว่าอยากจะเอาชนะไตรรักษก็ต้อง ศึกษาเรื่องไตรสิขาสามอย่างศีล ส, สมธิปัญญาเมื่อชำนาญในเรื่องศีลสมิจัญญาที่ต้องแล้วเอาตัวเนี้ยไปแทนค่าของไตรลักษณ์คือนิจังทุกขังหน้าตาที่แทนค่ามาไมื่อกี้อแบบเดียวกันตัวไหนที่จะทำให้เกิดการแทนค่าได้ก็คือตัวรู้ใช่ตัวสติที่เราฝึกเข้าไปเปลี่ยนค่าแทนค่ากันน่อันนี้ก็จึงง่ายขึ้นนะ อ้าวต่อไปสอบอารมณ์รอบสองเนี่ยรอบแรกอยู่ไปแล้วนะได้เวลาสองวันอาจารย์พิทักษ์เป็นไงบ้างวันนี้ลืมได้สติบ้างหรือยังลืมทันลืมทันเลยใช่ไหมหมายความว่าเราเมื่อก็ได้ปรับอีเิียบทช่วยมันใช่ไหมคือความจริงเขาต้องการนวดให้กายมันนุ่มเลยแหละเพราะว่ามันจะได้มันมันจะได้ความเคยชินมันจะได้ไม่ครอบงำนะให้หนักๆเอาไว้หน่วงๆเอาไวนะ้นหละไม่งั้นถ้าความเคยชิน มันมากเนี่ยเหมือนมันเหมือนว่ามันง่ายเหลือเกินนี่ยนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันหนักหน่วงรงทับการเคลื่อนไหวแล้วก็ค่อนข้างแย่แล้วการท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติต้องทําตัวเหมือนคนป่วยใช่ไหมทําตัวเหมือนคนป่วยคือหมายา็ว่าจากการจะเคลื่อนจะไหวเนี่ยคนป่วยเป็นไงม้ำละวังใช่ไหมแบบเดียวกันจะกินจะอะไรใดก็ต้องน้ำระวังเหมือนกันนักปฏิบัติจะต้องทําอย่างนั้นมันทําตัวเหมือนคนป่วยแล้วมันจะเกิดการไม่ประมาทขึ้นมา อันนี้ส่วนหนึ่งก็คิดว่าวันนี้เริ่มได้อารมณ์นะใช่ั้ยการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะจโกลนมากขึ้นไม่กระวุดกระวาดเหมือนก่อนมากขึ้นนะอ่อยนอันนั้นคือหมายความเริ่มความคิดใจของเรา เ, เริ่มเข้ามาแล้วอันนี้ก็ต้องพยายามสังเกตไปเรื่อยๆเนะี่ยแต่ให้มันผ่านขั้นตอนขบวนการอันนี้ก่อน บนการนี้เหมือนกับว่ า, าที่ว่าไว้เบื้อก่อ น, นว่าร่างกายของเราอยายัดนะเหมือนอยนายัดของสัตว์ทั้งหกตัวนีไปมัดติดเสาแล้วติดขอนสักค่อนนึงแต่สัตว์แต่ละตัวมันจะวิ่งไปตามทางที่มันคุ้นชินใช่ไหมจะเข่ก็จะไปทางหนึ่งม้าป่าก็จะไปทางหนึ่งงูก็จะไปทางหนึ่งนกก็จะไปทางนึ่งลิงก็ไปทางหนึ่งม้าจากจิ้งจอกก็จะไปทางหนึ่ง ในที่สุดมันมันถูกสติผูกเอาไว้เหมือนเชือกที่เส้นแข็งมากมันดึงไปดึงมาเยอะซักกเยอะไปซั ก, ก็เยอะมาเนื่องจากหลักมันแน่นมากคือความตั้งใจของเรานะหนักแน่นมากไม่หวั่นไหวไปกับมันในที่สุดมันแพ้ในสุดสัตว์ทั้งหกตัวก็บรนอนที่ใกล้ๆหลักนั่นเองว่าไงจิตของเราในที่สุดมันจะไปทางโน้นก็โดนดักไปทางนี้ก็โดนดักว่ามันก็เลยมายอมอยู่กับเรา นั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวของเราก็เป็นจังหวะจากกุญชัดเจนขึ้นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆแล้วนี่เองอันนี้คือการที่เราต้องอทรมานกิเลสนะไม่ได้แต่เราทรมานตัวเองแต่ใช่กายเนี่ยหลักก็ต้องมั่นคงก็คือกายเนี่ยต้องไม่ไม่มันจะไปไม่ไปกับมันมันจะลุกมาอยากลุกกับมันอย่างงี้ยนะมันจะเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนกับมันนะเนี่ยว่า ย, ยืนยันเอาไว้ก่อนแต่ถ้าอยากลุ ก, กไปเลย อยากเดินก็ไปเลยก็เหมือนว่าสัตว์ตั้งหูมันดึงไปแล้วใช่ไหมไม่ทันมันอันนี้เราทันมันไม่ไปกับมันทุกครั้งมันก็หลักมั่นคงมันก็ทำให้กีเดตมันอ่อนตัวได้น ะ, ะคุณเกียดสศีคนไหนว่าชื่อมันผู้ชายเลยเนะคุณอ่ะสัมราน <laughs> สํารานเวชพรนะคุณเกียรคุณเกียดสศีแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ดีกว่าเดิมไหม เห็นความพยายามของคุณอยู่นะเลือกปรับเปลี่ยนียบุตรได้เรื่อยๆแต่มื่ก็เป็นเป็นข้อดีอะทาให้เราไม่อไม่ประมาทนะทาให้คอยรา ม, มัระวังแล้วก็ปรับพหามันให้มันพออยู่ได้มันก็ดึงใจมันได้ง่ายใช่ไหมความคิดปรุงแต่ง ย, ยังเยอะอยู่ไห ม, มแต่มื่ก็ถูกต้องแล้วนะมันก็ต้องเกิดต้องดับต้องผุดต้องเดี๋ยอหยุดเดี๋ยเกิดอยู่งั้นแหละเพียงแต่รับรู้มันเท่านั้นเองเราจะไปห้าม ไม่ให้คิดก็ไม่ได้อ่าให้มันหยุดคิดไม่ให้มันคิดจะให้มันหยุดตลอดก็ไม่ได้จะให้มันคิดตลอดก็ไม่ได้และแต่มันจะจังหวะมันจะเกิดจะดับตามเรื่องของมันแต่เราก็เป็นผู้ดูปรับให้มันาการที่เราจัดการร่างกายให้เป็นไปตามเวทนาที่ไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนั่นแหละเรียกว่าผู้ดูแล้วถ้าเราไม่ได้ดูหมายความว่าเราเพลินในหนักเพลินในเบาเราไม่ได้ดู แต่เราจัดการไม่ให้กายเนี่ยเพลินในสุขเพลินในทุกค่อยปรับสุขปรับทุกให้มันออกไปเรื่อยเื่มีความคิดขเข้ามาก็ปรับเข้าปรับออกได้ลักษณะเข้าไปจัดการอย่างนี้เรียกว่าผู้ดูอ๋อก็ต้องก็ต้องก็ต้องทำไปเรื่อยๆเม็ดข้าวพึ่งมาหมักวันนี้จะให้มันกลิ่นต้นพรุ่งนี้มันไม่ได้ไม่ใช่ แล้วผู้ดูหมายเขาว่าเมื่อก่อนเนี่ยอามาได้บอกว่าคนไข้กับหมอเนี่ยมันคนเดียวกันใช่ไหมต่อมาเมื่อมันแยกตัวกันได้แล้วคนไข้กับหมอมนคนละคนเมื่อก่อนหมอก็คือผู้ป่ว ย, วยผู้ป่วยก็คือหมอใช่ไหมเมื่อกายป่วยจิตก็ป่วยด้วยเมื่อจิตป่วยกายก็ป่วยด้วยแต่หลังมาพอแยกกันออกอตัวรู้มันไม่ได้ป่วยนะที่ป่วยมันตัวคิดอะนะต่อไปแล้วก็แยกตัวรู้ออกมาเป็นผู้รู้คิดไม่ใช่เป็นผู้คิดอ เป็นผู้เห็นปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดเมื่อก่อนนี้เรากับคนปวดคนเดียวกันใช่ไหมพอปวดขึ้นมาเราเป็นยัางงานนี้ยังงี้ลำคัญเบือ่อหน่ายแล้วก็ลุกหนีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เรากลับไม่ลุก อ, อ่ะอ่าแสดงว่าเรามีการแยกตัวออกมาดูเราถึงจัดการมาได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเรารู้สึกปวดขาปั๊บแล้วก็ทำอะไรหนึ่งถ้ามันหายปวดก็แล้วแต่เพราะเราคิดว่าการปวดการหนักนั้นเป็นเราอะ่ะ แต่พอมาถึงวันนี้เราเห็นว่ากันหนักกันปวดมันไม่ใช่เรามันก็คืออาการอันหนึ่งของกายแล้วก็คอยบงบัดมันแล้วก็เอาประโยชน์จากมันใช่ไหมมันก็ตัวรู้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจับได้แค่นี้อย่าให้ตัวรู้มันเมันไม่ได้ต้องสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วคุณไปทาการทำงานเนี่ยถ้าจิตของเรามันหลุดไปเกินห้าสอร์ซ็นตนะตัวรู้มันก็จะอ่อนไป เพราะนั้นอย่างน้อยเก็บไว้ที่ตัวเองห้าสิบเวลาไปทํางานจ่ายกับสิ่งที่เราทําสักห้าสิบเนี่ยแต่ท่านบอกว่าเสี่ยงห้าสิบห้าสิบใช่ไหมเพราะอะไรกันไหลออกมันง่ายมากเพราะฉะนั้นเผื่อว่า30อกสบเจ็ดสิบก็แล้วกันเอาไว้ที่ตัวเองแค่เจดสิบเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อไหลไปก็ไม่เกินยี่สก็บาลานซ์พอดี 50, 50. อห้าสิบห้าสิบฮะไม่ไม่ใช่ดิอยู่ค่เรต้องเจ็ดสิบ อ, ย, บอยังไม่ได้ก็แสดงว่ายังบาลานซ์ไม่ได้<ม> ต, ต้องพยายามต่อไปอยู่ให้เราสักเจ็สิบแต่ส0มสิบมันก็หมายความมันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งข้างนอกชะ้เจดสิบแล้วใช่ไหมอ่าหลุดแล้วก็หมดเลยนะ่ะส0มสิบ น, นะไม่เหลือเลยนะหลุดแล้วก็ไปเลย อ, อันนั้นคือต้องเพราะนั้นถึงบอกว่าสต็อกไว้ที่เลยมชัก7เจดสิบก่อนถ้ามันไปเกี่ยวข้องสัก3สาสิบถ้าจะมีการหลุดก็หลุดชั้นยี่สบก็ยังพอทันไม่ยากหรอกทาบ่อยบ่ย <c oughs> <c oughs> คุณเคยเห็นแม่ค้าขายของในตลาดไห เมื่อก่อนนี่หยิบของนะี่ต้องดูตาช่างอะ่ะมันกี่กิโลหยิบทุกวันทุกวันจบไปมันหยิบใส่เป๊เปะเลยอะ่ะใช่ไหมมันรู้เลยมือใช่ไหมเออไมถ่ถ้าจะไม่ดูตาช่างอะ่ะจับใส่พอดีเลยว่าทำไมทำไมแม่ค้ามเก่ง ก, ก็ไปทําทุกวันอะนะ่ะมันก็เกิดอะไรคอมมอนเซนต์อ่ะหรือทักษะหรือไม่ครัวเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ชํานาญจะ เขาบอกว่าเมนูเนี่ยต้องใสอันนั้นเท่านั้นต้องใส่ันี่ขีดเท่านันนี้กรรมต้องดูกันทุกครั้งโตทําไปหลายปีแต่หลายปีเข้าไปไ็นยิบถูกหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องช่างเลยเหมือนกันทักษะในการแบ่งตัวรู้กับตัวคิดเนี่ยเราทําทุกวันทุกวันมันจะแบ่งถูกเลยมันจะเกิดทักษะขึ้นมอไม่คุณต้องทําทุกวันะคุณจะทําวันนี้วันเดียวไม่ได้ต่อให้ร้อยปีคุณก็ไปไม่ได้ถ้าทําเฉพาะวันนะแต่ต้องทําตลอดเพราะมันมีอารมณ์ขอาตลอดใช่ไหม เมื่อนานคุยก็ชำนาญนะชำนาญโดยทักษะนี่เลยรียกว่ายานเราไมา่ใช่คบว่าทักษะหรือเอ p e r ์ e n c e ใช่ไหมอ่าต่อไปคุ ณ, ณพิษเออพิษคออยู่ข้างหลังวัฒนาถาวรเป็นไงบ้างวันนี้เริ่มนิ่งแล้วยังไามา่เคยล้มเลย <laughs> เมื่อวานก่อนอยังเห็นล้มไปล้มลุกคู่คานอยู่วันนี้เห็นนิ่งๆอยู่ก็คงจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะเขาบอกแล้วไม่เกินสาวันนะกิเล่มันจะเล่นงานเราเนะี้ยพอวันที่สามมันก็เหมือนสัตว์ทั้งหกมันดึงไปดึงมาพอเกินสามวันก็เหนื่อยแล้วเพราะหลักให้แน่นถ้าหลักไม่แน่นก็ไปกับมันอยู่อแต่ว่าเห็นอะไรชัดเจนขึ้นกว่าเดิมไหมความม่วงเป็นไงหายไปกระเด็นไปใช่ไหม แล้วก็ความฟุ้งซ่านน้อยลงไหมวิทยาศาสตก็บางเพราะฉะนั้นเมื่อมันตั้งหลักได้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเยอะอะเพียงแต่ว่าเราจะทําให้มันชานาญได้ไงต่อไปมันไวเสมอเพราะโอกาสที่เราจะไปใช้เนี่ยมันเผลอบ่อยอะใช่ไหมแต่ที่พอมันชํานาญถึงจะเผลอแต่ก็กลับมาได้ไวอคาว่าชํานาญไหมคำว่าเหมือนกับคนที่เข้มแข็งอะ่ะลมป๊อมันก็ลุกได้ทันทีใช่ไหม ชนานาญชนานาญในการที่จะตั้งสติไม่ใช่ทํางานอะไรหรอกเพิ่ไปปั๊บตั้งสติบางเรื่องเมื่อก่อนเวลามีกระทบในลักษณะที่ไม่พอใจก็ขุนัวไปตั้งนานใช่ไหมแต่พอเราชํานาญปับ๊บรู้สักขุนโมปั๊บสลัดเลยคือชํานาญแบบนี้ชนานาญในการตั้งจิตมาตั้งในปกติแบบนี้ทุกก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานหมายถึงชํานาญแบบนั้นอ่าคุณสมจิต ส่วนนวงเออเป็นไงสมจิตวันนี้ อ, อ๋อเลย <laughs> ปรับได้ช้าว่ะเพราะนั้นอทีนี่เอามาใช้ได้นะเอามาใช้ในการปรับความสมดุลนะ่ะคุณลีดได้ดู s อ t เคทของหลวงพ่ออะไรยังเนเอามาแทนเรื่องท่วงท่าเลยนะีนี้ามาพีนี้อัปเกรดไปเรื่องจากเรื่องท่วงท่าเป็นเอ t เคทแล้วนะบวกเดอะไฟทิเบเทียไลท์อ่า ก็คิดว่าคุณสมจิตมีทักษ์มีประสบการณ์มาว้างแล้วนะในการแก้ลมดุเดินแต่ที่นี้ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยอยากจะให้สร้างจังหวะช้ากว่า น, นียแต่ที่หลวงพ่อบอกไอเคทีเพื่อที่จะให้สร้างจังหวะกระลมหายใจสัมพันธ์กันเองแต่คุณก็รู้สึกว่าสร้างจังหวะยังไวอยู่ใช้ลมหายใจลหลวงพ่อเราไม่แน่ใจว่าลมหายใจกับจังหวะไปไปคนละทางหรือเปล่าหลวงพ่อว่ายาวไปเหนื่อยเอาแค่ครึ่งเดียว อ่าหายใจอะไรก็ได้ไที่ว่าที่ศรีของใครนะตึ้งเสียวผิงเรื่อยไปนะออไม่ใช่นี่มูอยาวบางอะมีเอาเสียอะไรก็ได้ขอให้จัำมือได้ก็แล้วกันคุณ <c oughs> จะใช้แบบไหนก็ได้ขอให้รู้สึกตัวก็แล้วกันคล้ายๆการทำนองนั้นนะขอให้รู้สึกตัวชัดๆกันเลยคุณจะใช้อแต่ในขณะที่มันมีปัญหาเท่านั้นนะที่ว่านะไม่ใช่คุณจะใช้เลอะเทอะไม่ใช่ไงนะในขณะที่มันปกติที่ไม่มีปัญหาอะไรคุณก็ ยกมือสร้างจาังหวะเดินใจกกปกติไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันมีความวง่วงความเบือ่อความเซ็งความขี้เกียจความฟุ้งซ่านอะไรเข้ามาก็หาวิธีแหละอันนี้ไม่ผิดหรือว่าเครื่องมือนะเอาใช้มาเป็นเครื่องมือเครื่องมือชิ้นไหนที่แก้ไขได้ไวก็ใช้อ น, นั้นแหละนะอันนี้คือให้จะเข้าใจความหมายโอ้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อมาหาเลิศเทอเบอร์เหมือนวุ้อะไรมาเลยปนมั่วหมดเลยโดนแน่ๆในะงานนี้นะฮะเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันหน่อยก็แล้วกันว่า ให้เข้าใจให้ถูกว่าเราเอามาใช้เป็นเครื่องมือในขณะนั้นๆที่มีปัญหาเท่านั้นไม่ดีกว่าเราจะไปนั่งง่วงตั้งหลายนาะทีเสียเวลาดีฟุ้งสั้นไปทั้งครึ่งวันเงี้ยมันเสียเวลาเครื่องมืออะไรขนาดนั้นที่มาแก้มันดุดมันขาดไปได้ก็ทําแล้วกลับมาหมดปกติเท่านั้นเองอันนี้คือความหมายที่มาใช้นะอ้าคุณระไม่ยมต้ามต้าไปไหน อ๋อยุ้มจ้อ่าวันนี้ดึงทั้งคนเก่าคนใหม่เลยนะไม่แยกแล้ววันนี้ตอนนี้อารมณ์ใกล้เคียงกับเราคนใหม่พัฒนาได้ไวมากเลยคนเก่าทําท่าจะไม่ทันเพราะอะไรเพราะกลัวเขาไปแย่งลุงเอาอะซึ่งผมลุงนะเนี่ยนิดเดียวนั้นนะเราให้เรารู้สึกเลยว่าเออมันมันมีก็ดีนะรู้ทันนะเพราะหลายหลายอย่างมเราก็ไม่รู้ทันก็เยอะอยู่ใช่ไหม <S <S แต่เริ่อรู้ทันไปเรื่อยตั้งแต่การหาเล็กเล็กน้อยน้จนไปถึงการหาใหญ่นะ ทันไปเลยๆจนในที่สุดวันหนึ่งถ้าว่าสติสัมยาขเราเข้มจริงๆตุนนี้เขาเรียกว่าสารตั้งต้นของศีลที่รู้จักว่าเอออันนี้มันเป็นแล้ว ร, รู้สึไ อ, อนี่นะนี่แหละสารตั้งต้นของศีลปรามัตนะไม่ใช่ศีลธรรมดานะพระยังไม่ค่อยมีเลยศีลปรมัตดศีลปรมัตดคืออะไรคิลิอตุตภะใช่ไหมอายชั่วกลัวบาป น, นี่ก็ดีนะถือว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งรู้เท่าทันแม้กระทั่งความอยากเล็ก ๆ, ๆน้อยๆคิดว่าตามสูตรนี้เขาว่าสามวันเนี่ยส่วนใหญ่ได้อารมณ์กันหมดนะวันที่สมเพราะว่าเรามีการปรับสูตรใหม่เนี่ยมันก็น่าจะได้อารมณ์โดยเฉพา ะ, ะเรามาทํากันต่เช้าสองชั่วโมงนี่ถือว่าเออเยอะนะเพราะเป็นช่วงเช้าช่วงที่กําลังสดใสบริสุทธิ์ใช่ไหมเพราะนั้นเราเติมตัวรู้เข้าไปนะมันก็จะฝังซึมซาบได้ลึกทีเดียวมันก็จะ แรงผ่านไปทั้งวันนะอมันทําให้นั้นก็อันนี้ก็เรียกว่ามาค่อยมีเาอีกอย่างแล้วก็คุณเพชรก็ขยันนะปะระมวลความเพียรได้ต่อเนื่องเรื่องง่วงไม่มีเรื่องฟุง้งซ่านไม่มีเรื่องเบื่อไม่มีหรือมีนิดหน่อยก็ธรรมดามันก็ต้องมีของเล่นบ้างนะเนาะให้มันเกาะเกี่ยวบ้างย้ายมันหมดทันทีอเอาไว้เป็นอารมณ์เขาเรียกว่าฐานที่ตั้งของอารมณ์ก็คือตัวตัวนี้แหละคือตัวจิตทํางาน คือมันต้องรับรู้อารมณ์เพราะหลวงพ่อเคยบอกหลายครั้งว่าคําว่าความคิดมนีสามลักษณะความคิดแบบลักคิดหรือว่าคิดโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือความคิดแบบเจตนาคิดคือตั้งใจที่จะคิดและอันที่สความคิด ต, ตามหน้าที่ของจิตที่จะรับรู้อารมณ์ตัวนั้นมันก็ปรากฏบางๆต่อเวลาเขาเรียกว่าธรรมารมณ์ เันความคิดมีสามลักษณะหนึ่งปัญญาสองสังขารสามธรรมารมเราแต่ว่าจะทําหน้าที่ไหนแต่อย่างน้อยที่สุดให้มันปัญญาเราใช้เป็นบางครั้งตั้งใจที่จะคิดโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้ทาให้เสร็จนะก็คิดให้เสร็จจบแต่ในส่วนของธรรมารมก็คือมีอะไรผ่านมาก็รับรู้แล้วก็คิดนิดนึงแล้วก็ผ่านไปผ่านทางทางหูจมูกลิ้นกายก็รับรู้แล้วก็ นี่หน่อยก็ผ่านไปนี่ก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นหน้าที่ของจิตแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าไม่มีสติเข้าไปกํากับมันจะกลายเป็นตัวที่สามทันทีเลยเขาเรียกว่าสังขารสังขารและจิตนั่นคือรักปรุงรักคิดเผยคิดเลื่อนลอยไปเรื่อยๆปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเช่นสมมติเราไปเห็นรูปอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่ทันกาหนดรู้ใชม่มันก็ไปกับรูปนั้นเลยยาวเลย เปรียบเทียบไปอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราทันสองตัวนี้ไหมความคิดที่จะทําน่นทำนี่ถ้าคิดแล้วจบไม่เป็นกลายเป็นสังขารทำมาล้มไม่ทันตามกำหนดลุลกกลายเป็นสังขารเพราะฉะนั้นสังขารเป็นเงื่อนไขจากสองตัวเนี่ยว่าเราไม่ทันสองตัวเนี่มันต้องไปเป็นตัวที่สามแต่เราก็เพียงแต่เออถ้ามันเป็นตัวที่สามเราก็กลับรู้ให้ทันแต่มันมันยากหน่อยเท่านั้นเองอ่า แต่รู้ท่า น, น, นตัวที่หนึ่งที่สองมันก็ง่ายแต่ทุวรที่สามเนี่ยมันไปเร็วนะเผอไปยาวเลยอ้าวจะไปโยมประจวบไม่ไปจวบบอกให้โยมเอาไปทำเอสเคทีหน่อยทําให้เป็นเลยเอสเคทีที่สามให้ทํำช้าๆหน่อยเอ้งั้นตอนเช้าที่ยกขาขึ้นก็หนักๆก็กเจ็บย่างั้นนะตนเช้า นั่นนะเทมเพิ่งทำไมโอ้ผู้นี้ยกเว้นให้กัแล้วกันไปทําเองข้างล่างนมะันมีทาและมีหลายท่าที่จะมึงใช้หลังก็ในการดูแลเรื่องคืออยากคนที่วงไหนๆเนี่ยอจอรเข้ามาในวงวงจรของธรรมา น, นี่ยมาอยากจะให้ร่างกายเข้มแข็งนะถ้าใครร่างกายยังไม่เข้มแข็งมีทีท่าว่าจะร่างกายไม่ค่อยดีเนี่ยมาจมทูซีบอกบ่อยๆงั้นน่ะ เพราะอะไรเพราะถ้าเราไปสร้างไปแข่งอะไรดีที่สุดก็ไม่เท่ากับเรามาทำตัวเองให้มันมีพลังขึ้นทางการขึ้งใจเนี่ยเป็นงานชิ้นบู ด, แดงแล้วสามารถขยายอายุออกไปได้สามารถขยายความไม่เจ็บป่วยออกไปได้นี่ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะก็อยากจะเห็นนะเพราะเราแต่ละคนที่มานี่ถือว่าเป็นครอบครัวของสังคมของกลุ่มไม่เพื่อนเพราะมันไม่ได้มาได้ทำได้ง่าย แต่ใ น, นเมื่อเรามาแล้วก็ต้องให้เห็นผลให้ชัดๆว่าได้อะไรไม่ได้อะไรนะก็ไปย่ ง, งั้นแงไม่เห็นไม่ได้อะไเป็นเรื่องเว็นเลานี่แมว เ, เสียเวลาหน้าดูนะ เ, าเสียชื่อมาโดนนะต้องต้องทําให้ให้เข้มแข็งขึ้นอย่างน้อยก็คือเอาไปใช้ให้เป็นนั่นเองนะที่เขาว่าเข้มแข็งนะบางทีว่าเจริญสติแล้วจบแล้วก็จบกันกลับไปบ้านก็ความเคยชินทําเหมือนเดิมผู้อย่างเนี่ยเท่ากับไม่ได้มาเลยนะ เออเดีวไปฝึกใช้เป็นเออเดินไวก็เดินช้าลงใช่ไหมพูดมากก็พูดน้อยลงกินมากก็กินน้อยลงอย่างงี้เนี่ย <c oughs> เคยกินแต่อร่อยก็กินหัดกินไม่อร่อยบ้างนี่แสดงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นละอ่าเปลี่ยแปลงขึ้นนอนไม่หลับก็นอนหลับดีขึ้นนี่นะนอนไม่เคยหลับก็นอนหลับได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าพัฒนาการอาบน้ํานานๆก็อาบสั้นขึ้นอย่างเงี้ยนะอาบน้ำเปชั่วโมงก็เหลือสักห้านาทีสิบนาทีเท่านัเนี่ย นี่แล้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนั่นถือว่าได้ใช้สติล้วยอมเปลี่ยนสุขเป็นไงบ้างวันนี้ชื่อนี่ไม่น่าจะทุกเลยนี่เนะี่ยเปลี่ยนสุขนี่เนาะเปลี่ยนตลอดใช่ไหมหรือว่าตรงข้ามกับชื่อแม้แต่นิดเดียวก็ได้ไม่ได้เนะี่หลงดีเนี่ยนะเนี่ยที่ว่าบกว่าดีก็ไม่เอาช่วเ พ, ออเพราะอย่างเงี้ยเพราะดังฝ่ายก็ทําให้หลงได้เหมือนกันอแต่เอามาได้ให้ข้อเกณฑ์ตัดสินเอาไว้ ว, ว่าว่าดีหรือไม่ดีอยู่ที่พอดีนะ ถ้าดีเกินพอดีก็กลายเป็นไม่ดีแต่ถ้าไม่ดีแต่พอดีมันกลายเป็นดีนะฮะเออเนี่ยพราะนั้นเองก็ดีหรือไม่ดีอยู่ที่พอดีอถ้าไม่พอดีแล้วเนี่ยทั้งดีและไม่ดีเสียทั้งสองอย่างเลยดังนั้นเวลารู้สึกวันสบายๆก็เดินดูความสบายไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรดูความสบายเพราะเป้าหมายของเราเพื่อความสบายใช่ไหมก็เมื่อทำไปแล้วรู้สึกสบายก็ไม่ต้องไปยึด ไม่ต้องไปเพิ่มแต่ทําให้มันชํานาญทําให้จิตอยู่กับสภาวะนั้นเรียนรู้สภาวะนั้นแต่ว่าไม่ติด น, นะเพราวะที่เบาสบายสมมุติว่าเราเดินในระดับเนี้ยรู้สึกเออสบายขึ้นแต่พอเราซื้อดีจังจะเล็งอ่าให้มันยเยอะเล่งความเพียรใหญ่เลยเนะนี้ยให้มันให้เยอะขึ้นนะนะเอาที่ไหนได้หนักเข้าไปเลยแต่ว่าดีก็ ด, ด, ดูดูความรู้สึกสบายนี่ปกติโดยดูมานาน ม, มันจิตอยู่ได้เท่าไหร่ เออลักษณะนี้กับว่ามันอยู่ได้นานนะอะไรก็ตามที่มันเป็นความผ่อนคลายความสบายความปลอดปร่งพยายามซึมซับแล้วศึกษาในสภาวะนั้นให้ชำนาญแต่ว่ามันเสี่ยงต่อการติดยึดถ้าเราไม่มีประสบการณ์นะมันเสี่ยงต่อการอยากเอออยากให้มันเป็นอย่างนี้นานๆพอรู้สึกมันหายไปก็เสียดายอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเราเป็นยอดนี่แหละแต่แเราเราศึกษาอยู่กับมันดูว่าเออมันหายไปยังไง มันดำรงอยู่ยังไงมันเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงคนสบายสักพักหนึ่งความไม่สบายเข้ามาแล้วก็ศึกษาต่อไปเลยโอ้ความไม่สบายเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อกี้ยังสบายอยู่เลยก็ดูตามไปเรื่อยๆอย่างนี้จิตของเราก็จะเริ่มสมดุลละพอจิตสมดุลปับ๊บสิ่งที่เป็นฝ่ายบวกเข้ามาก็ทําให้สมดุลสิ่งที่เป็นฝ่ายลบเข้ามาก็ทําให้สมดุลได้อันนี้คือ ของการรู้เท่าท่าทั้งสองฝ่ายเพราะสองฝ่ายนีย้ที่ได้กล่าวเมื่อวานนะ่ะต้นกําเนิด ม, มาจากอะไรนะทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยมาจากอะไรทําท่าจะนึกออกแล้วใช่ไหมต้นกําเนิดของสรรพสิ่งมาจากของกี่อย่างของสองอย่างคืออะไร <c oughs> เกิดกระดับแค่นั้นเองทุกครั้งที่มันมีอะไรสับสนกลับไปตรงนั้นเสมออย่าลืมนึกถึงคําว่า ก, การเกิดดับนะ เพาตัวนั้นจะเป็นศารตั้งต้นของสปปรพสิ่งที่พระเจ้าค้นพบนะนีใช่เขาจากกุจระปตตยานะพอค้นพบอยู่นี่ปับ๊บอะไรเกิดขึ้นปับ๊บกลับมาอ๋อเห็นของทันทีเลยมันจะมีแค่ของสองความรู้สึกเดียวนะสบายไม่สบา ย, นบายหนักเบาดีชั่วสุขทุกข์อ่ามันจะมีอยู่แค่นั้นอ้าวจะไประวิการครอบครัวนี่มาทั้งครอบครัวเลยเนี่ย เป็ไงบ้างวันนี้อ้อเหรอนี่วันที่สามคุณน่าจะบอแล้วใช่ไหมเนี่ยยังขับไม่บอยแสดงว่าตั้งต้นใหม่นะเนี่ยรู้ไหมว่ามันหายไปตอนไหนเพ่งนี้นการให้มันหายและการให้มันอยู่ได้า น, นานและการให้มันหายเอาหายจะก็จะจะไปนั่งเพลงเสียเวลาก็ลุกขึ้นเดินสักรอบสองรอบมันก็หายแล้วใช่ไหมนั่นอยู่ที่วิธีแก้ถ้าแก้ไม่ถูกมันจะติดหนักกว่าเดิมถ้าแก้ถูกมันจ ะ, จะหายไว นั่นไม่ต้อไปนั่งนั่งเพ่งมันตพ่งแตกลุกขึ้นหรือว่าทําอ็กเคทสักพักหนึ่งใช่ไหมตอนเย็นก็ทำได้ผลอ่ะนั่นดิเธอไม่ิืมไปติดตัวนั้นแล้วตัวอื่นไม่ปรับหาใช่ไหมมันต้องปรับนี่เขาเริ่มมีสติได้ขาดสัมมาชนยะขาดตัวทั่วพร้อมเลยปรับไม่หมดมันก็ไปตกค้างนั้นก็ถ้าเราเพ่งอะไรสักอย่างมันทําให้ลืมอีกส่วนหนึ่งที่เราร่างกายมันไม่ได้รับรู้กับเรา มันก็ทําหน้าที่มีหน้าที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎครั้งแต่ละมันก็เปลี่ยนนะหนักหน่วงทวงทัพมันก็จะไปเอฟเฟกต์่อส่วนอื่นใช่ไหมมันเกิดหนักเกิดแน่นเกิดอึดอัดขึ้นมาเลือดลมเขาเดินไม่สะดวกใช่ไหมเธอหนักตั้งเท่าไหร่มันทับลงไปเลือดลมที่มันผ่านโฟลอย่างดีนะพอนานเข้านั้นเข้าก็เริ่มตีบตันลงไปเลือดลมจะเดินมันก็ไปไม่ได้แล้วมันก็เอฟเฟกต์ต่อร่างกายในส่วนอื่นแต่เพื่อขยับให้เลือดลมผ่านนิดไปไง มันก็ทุกอย่างก็ทํางานปกติเองเลยเก่งง่ายเนะี่ยเพราะฉะนั้นหลวพ่อหลงว่าการเคลื่อนไหวนี่เป็นอะไรหลายหลาอย่างที่มันแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าหากว่าเราขาดสติก็ก็ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันเราก็ต้องปรับสติให้เท่าทันอ่าคุณมารีเป็นไงวันนี้บาทเที่ยวนี้ได้อารมณ์ไวไหมวันนี้เป็นไงบ้างไปนะนั่นเองหลวพ่อสังเกตว่าแดดรุ่มไวนะเพราะว่านิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยะ เพราะว่าตามรู้ตามรู้ได้ตลอดใช่ไหมมีความตั้งใจนะสังเกตมีความตั้งใจกว่าเขาอ๋อทั้วแต่เที่ยวนี้ตั้งใจมากกว่าคือถ้าคนตั้งใจเหมือนกันแต่ตั้งใจมากไปอ่ะแต่นี้ตั้งใจพอดีเออมันก็เลยได้ไหวตั้งใจมากไปนี่ก็ไม่ได้นะมันเกินตั้งใจพอดีนี่มันจะมันจะดูตลอดอ่ะตั้งใจมากไปหมายความว่าถึงเวลาเอาเอาเต็มที่เลย เวลาปล่อยก็ปล่อยไปเลยอย่างนี้กเรียกว่าไม่พอดีแต่นี้ทั้งในอีริปต์นอกอียิปต์เราก็ไม่ปล่อยนะประคองไว้ตลอดมันก็เลยทำไม่ได้อารมณ์อันนี้คือหลักอันหนึ่งว่าการที่เราจะได้อารมณ์ได้ไวคือพยายามประคองให้สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าได้อารมณ์ล้วก็เล่งเต็มที่พอเสียอารมณ์พัฉันทิ้งเลยอันนี้จะนับเป็นลักษณะที่ทําให้ไม่ได้อารมณ์เพราะว่ามันสูตรงไง พอก็เต็มที่กับตรงมาที่พ่อปล่อยทิ้งเต็มที่กับตรงมาที่แต่ประคองไปเรื่อยๆได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สำคัญแต่พยายามประคองให้ต่อเนื่องไปอันนี้จะง่ายนะคุณเฉริมชัยวันนี้ยังแต่ว่าเราไปทําที่ไหนก็รับรู้สึกมันไม่ค่อยเ ท, ท่าท่าที่เปลี่ยนเลยนะอย่าไปทุศีเพรามันเสียเวลาผมเพ่อสังเกตเห็นนะ่ะคุณเสริมชัยได้อารมณ์เป็นช่วงๆ ช, ช่วงสั้นๆ น, นะตอนบ่าย น, นะ ข้างหลังนี่ดีขึ้นนะก็คิดว่าเข้ามาก็นั่งนิ่งขึ้นอคุณนุชว่าไงวันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมเมื่อคุณตั้งใจทําแบบว่าไม่ไม่ผ่อนคลายนะค่อนข้างเกลงไปหน่อยตอนยกะนะคุณพรไม่ขยับมันกลิงทั้งตัวเลยสมมุติว่ามันเป็นรู้สึกตึงๆนะคุณก็เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนถ้าสมมุติเราเปลี่ยนในยบทหรือยกมือสร้างหรือเปลี่ยนไม่มก็ส KT สาช่ยได <laughs> ้อันนี้ SKT7 ที่สมก็คืออย่างนี้นใช่ไหมคุณเชื่อเออใช่ดูไปใช้ได้ทีเดียวนะที่สมแล้วกันก่อนนอนใช้เอ็เคทไหนเพราะเอ็กเคทสองนี่เขาสูงว่าแกจะยืนอยู่ถ้าเดียวก็ยืดก็ดีนะข้อนี้เรามีของเล่นมากขึ้น <laughs> ของเล่นมากขึ้นไม่เบื่อนะ <laughs> แล้วเราก็หลับแล้วเ <laughs> ออเห็นไหมได้ฝนนอย่างน้อยก็ให้หลับง่ายก็ใช้ได้นะ <laughs> อะไรก็ตามให้มันเป็นประโยชน์ก็ใช้ได้นะ อ่าคุณเอวันนี้รู้สึกว่าหลวงเ่อวันนี้คุณไม่อยู่ในสายตาหลวงพ่อเลยเนพะิ่ง ม, มาเห็นคุณนี่ทุกวันเห็นชัดวันนี้ไม่เคยเห็นเลยวันนี้เพิ่งเห็นตัวเล็ขลงนะเพอาะทุกวันนี้ดิ้นพลาดๆ น, น, นะแต่วันนี้ไม่เห็นดินเลยเหมือนกันคนงะจะได้อารมณ์ขึ้นหรือเปล่าไมรู้เลยหลบไปนอนหายไปไหนเมื่อหลบไปนอนอแต่ก็ดีขึ้นไหมช่ว ง, งปลายช่วงท้าย เอาเธอก็ฟุ้งซ่านเป็นเหมือนกันนะนึกฟุซ่นเขาไม่เป็นตั้งใจมากไป ห, หรือเปล่าแต่มันก็คิดอะใช่ไหมไม่ได้นั่งเฉยๆไม่ใช่คนเรามันต้องมันก็ต้องทําหน้าที่นะจะว่าคิดก็คือจิตมันทําหน้าที่ของมันอนะในการที่จิตทําหน้าที่ของมันรับรู้ตามความเป็นจริงเราไม่เรียกว่าคิดเราก็เป็นธรรมารมใช่ไหมเม่อกีที่หลวงพ่อแยกเห็นสามอย่างอนะมีธรรมารมเกิด ตัวตั้งใจแล้วปัญญาแล้วก็ตัวที่มาโดยม่ตั้งใจเรียกว่าสังขารน่ะมีสามตัวเพราะฉะนั้นเราจะไปเหมาว่าเป็นความคิดหมดไม่ใช่เอออันนี้หน้าที่ของจิตรับรู้แล้วก็ปล่อยผ่านรับรู้ก็ปล่อยผ่านมัไปบังคับมันถ้าบังคับมันไม่ให้คิดเลยนี่ปวดหัมมวเลยแหละเพราะไม่ให้เขาทําหน้าที่นะเพราะเขาจะต้องเกิดต้องดับต้องคิดไม่คิดคิดไม่คิดอยู่สลับกันไปสลับกันมาถ้าเราไปกดมันไว้ก็เหมือนนั้นก็เราไฟมันจะช็อตเราอ่ะ อ่าขออีกคนหนึ่งคุณนิตยาเออเป็นไงบ้างนิตยาวันนี้ก็ปรากฏว่าคุณไม่อยู่ในสายตาของพ่อเลยนะวันนี้เนะพิ่งเห็นวันกันนี่เป็นไงบ้างได้หรไม่ยังมันตอนเย็นๆมันก็ดีขึ้นจะรู้มันก็เป็นอนัตตาเอใช่หรือเปล่านี่เป็นควิชันอยู่นะีเธอาถามใครกันแน่นี่นะ้จะรู้เป็นอนัตตาหรือเปล่าแล้วตัวอนัตตาเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวรู้หรือเปล่า อาาตาเป็นอะไรอ่านหนังสือไปตรงนั้นก่อนเฮ้ยจะสรุปง่ายๆว่าเท่รู้เป็นอะฮะเท่รู้เกิดแล้วก็ดับอ่ามันก็เป็นหน้าที่ของมันนะเกิดแล้วก็ดับอ่าการเกิดดับขยายตัวเป็นสามนะอา น, นิจังทุกขังอาณาตาถ้าเกิดแล้วไม่ดับเกิดแล้วไม่ดับเป็นทุกขงังเกิดแล้วดับทําตามหน้ า, ท, า, ท, า, ท, า, ท, าที่ เพราะนั้นตัวอนิจจังและตัวอนัตตานั้นมันเป็นเงื่องไข่ตามธรรมชาติแต่ถ้ามันไม่เท่ากันมันเกิดตัวที่สามคือทุกขงังนะเพราะอนิจจังตัวนั้นถ้าไม่มีทุกขงังมันกลายเป็นปัญญาเออแต่ถ้าหากว่ารู้ไม่เท่าทันอนิจจังกลายเป็นทุกขงังแล้วก็เป็นอนัตตาอนิจจังทุกขัองอนัตตา ไม่รู้เธอจะทันไม่ทันนดนเพราะบอกไปสูตรไวก่อนนะว่าอันนี้จังมันจะเป็นหน้าตาต่อเมื่อมันมีทุกขังเข้ามาแต่ถ้าอันนี้จังตัวนั้นถ้ามี <c oughs> รู้การรู้เท่าเกิดขึ้นมันไม่เป็นทุกขังสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่หน้าตามันก็คือตัวธรรมมาคือตัวปัญญาที่เรียกบอกว่ามีขี้คือหน้าตาหรื อ, อทุกขโมาสุกเวทนาก็คือตัวปัญญาถ้ารู้เท่าทันแต่ถ้ารู้ไม่เท่าทันเป็นอเปยขาเวทนาน เพราะนั้นเราก็ปรับความสมดุลให้เกิดระดับต้นตอของมันนะแต่ใ น, นเมื่อไม่การเกิดดับที่มันไม่พอดีมาเกิดมาเป็นตัวไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังนัตตาเพราะนั้นเธอบอกว่าตัวรู้เป็นอนาิตาไม่ใช่ตัวรู้คือความสมดุลระหว่างตัวเกิดและตัวดับเหมือนกับไฟเนี่ยมันคอยสมดุลโคลบบวกมันกลเป็นแสงสว่างใช่หแต่ถ้ามือ เอามือไปแตะตรงนั้นน่ะคั้วอะไรขัข้วหนึ่งนะมันก็จะเป็นทุกข์อะทุกข์ขังเกิดขึ้นทันทีเลยอันนี้ก็เป็นหลักที่จําไว้ก่อนก็แล้วกันว่าเราจะสรุปว่าตัวรู้เป็นน้ำตาลไหมไม่ใช่ตัวรู้เป็นภาวาะวาธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับตามธรรมชาติของมันมันจะเป็นน้ำตาลแต่อเมื่อมันมีปัญหาน้ำตาลไปว่าคเขาบัญชาไม่ได้ อันนี้ไฟนี้เหมือนกันถ้ามันสว่างขึ้นมาโดยที่ไม่มีสวิตเนี่ยเป็นไงปกติไหมผิดปกติออาผดหลอกอะนะะไอจูๆเข้าไปไฟมันเกิดเองป๊อบเลยนะถ้าเราไม่ตั้งเซนเซอร์ไว้นะนะเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นเนี่ยไว้แค่นี้หมดเวลาแล้วเนาะได้สิบห้าคนนะรอบหนึ่งก็ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นเป็นการ สวบอาม์ที่แต่ละคนแล้ว90เอร์ซนะได้ลงวันนี้นะแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นทั้งนี้เพราะเรามีการปรับขบวนแล้วก็มีการาหาวิธีเข้ามาแก้นิวร์ได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการออกกาลังกายชุดที่เรามาทำเนี่ยเป็นการแก้นิวร์ไปในตัวคือนํามาใช้ได้นะไม่ว่าเ K ็แล้วก็ ไอ้ตัวเดลไฟที T ่เบททลทนะซึ่งก็ช่วงเช้าเราก็มาทำตัวนั้นพร้อมกันระหว่างตัวเดลไฟที T ่เบททลกับ SKT เพื่อเป็นการปั๊มออกซิเจนให้เต็มที่เดี๋ยวก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายที่เราทำไอ้ท่วงท่าใช่ยเนี่ยเป้าหมายเพื่อต้องการให้เกิดออกซิเจน แต่หน้าวันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นหายใจเข้าออกเอ็กเคนไปแทนได้ตัยนั้นโดยไม่ต้องใช้เวลามากได้เร็วขึ้นเราก็เลยสกิปตัวนั้นออกไปแล้วเอาตัวนี้เข้ามาแทนนะเมื่อออกซิเนเข้าอยู่ในร่างกายมากเป็นไงสารหนืดสารเหนียวสารเฉื่อยมันก็ไม่มีใช่ไหมเหมือนกับไฟที่มันได้ออกซิเจนมาก็จุดแล้๋วมันก็โปร่งไวขึ้นร่างกายของเราเมื่อออกซิเจนเข้าไปเต็มที่แล้วกายแล้ก็เส้นสายอะไรต่างๆมันก็เลือดมันก็ฟลูดีนะ ก็การลมหายใจตอนเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่พอเข้าไปจนที่แล้วกันนิดหนึ่งใช่ไหมสามวิ4วิตัวนั้นอะ่ะก็จะเปลี่ยนสารในบางตัวไหนนั้นด้วยก็ขดมุทนาสาธุที่เราได้ศึกษาธรรมาร่วมกันในรูปของการสอบอารมณ์ถามอารมณ์เพื่อให้ตรงประเด็นของแต่ละคนนะก็ขดมุทนาสาธุให้พัฒนาอารมณ์นี้จนเป็นญาณวิมุติด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ